มีขันติธรรมน้อยก็เป็นคนโกรธง่ายเพราะฉะนั้นก่อนจะปฏิบัติธรรมข้อ น, นี้ท่านจึงสอนให้เราได้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธเสียก่อนว่าความโกรธนี่มีโทษอย่างไรบ้างให้เราศึกษาดูว่าความโกรธนี่มันมีโทษอย่างไรเมื่อเห็นโทษของความโกรธแล้วก็สอนให้เราเห็นอนิสง์ของขันติคือความอดทนว่าความอดทนอดกลั้นนี้มีประโยชน์อย่างไร สอนให้เราพิจารณาดูขันติดูอันิสงที่เกิดขึ้นจากความอดทน เ, เรื่องของความโกรธเนี่ยมีโทษอย่างไรนั้นคิดว่าเป็นที่รู้อยู่แก่ใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีแล้วเวลาความโกรธเกิดขึ้นครั้งใดความปักปรุ่มความเล่าร้อนภายในใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทันทีท่านทั้งหลายจะ จับได้ทุกๆครั้งที่ท่านโกรธท่านจะมีแต่ความเร่าร้อนใจมีแต่ความกลัดกรุ้มใจจะเห็นแล้วว่าโทษมันเกิดขึ้นถึงขนาดนี้ถ้าความเร่าร้อนกัดกรุ้มรุนแรงขึ้นเราประทุษร้ายคนอื่นไม่ได้ก็อาจจับประทุษร้ายตนเองอย่างคนที่ฆ่าตัวตายน่ะก็คือคนที่ถูกความโกรธกรุ้มรุ ม, ร ม, ร ม, รมจิตใจมาก เมื่อทำลายคนอื่นไม่ได้ก็ทำลายตัวเองผลสุดท้ายก็ฆ่าตัวเองตายด้วยอำนาจของโทสะการฆ่าตัวเองตายแม้จะไม่เป็นปาณ า, า, าติบาตแต่อัตวิบิฎฐกรรมอันนี้ก็ส่งผลลงสู่อบายคือไปเกิดในอบายภูมิได้เช่นกันเพราะว่าทำด้วยจิตที่เป็นโทสะคือความโกรธเนี่ยในทางประมัต ธ, ธรรมท่านจึงจัดว่า แม้จะไม่ได้ประทุษร้ายคนอื่นเราประทุษร้ายชีวิตของเราเองการประทุษร้ายชีวิตของตนเองด้วยอำนาจของจิตดวงนี้ก็ส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิคือนรกหรือเปรตหรืออสุรกายหรือเดรัจฉานเนี่ยภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความโกรธนี้ถ้าหากว่ามาพิจารณาถึงผลเสีย ก็มีผลเสียอยู่มากมายอยู่คุณนั้นดูเหมือนจะไม่มีมีแต่ผลเสียทั้งนั้น เ, เมื่อมีผลเสียอย่างนี้เราก็มาพิจารณาถึงขันติว่าความอดทนเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสงฆ์ว่าขันตีประมังตะโปตีติขาเมื่อวันเพ็ญกลางเดือนสามเราเรียกว่าโอวา ถปาติโมกคือได้ตรัสว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะทำอย่างสูงพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสว่านิพพานเป็นยอดผู้มีขันติเป็นกำลังมีขันติเป็นกองทัพอย่างเข้มแข็งเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นพรามคือผู้ประเสริฐ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าขันติเป็นตบะธรรมอย่างยอดขันติประมังตโปตีติขาที่ว่าเป็นตบะธรรมนั้นเราว่าความอดทนเนี่ยไปแผดเผาทำลายอกุศลต่างๆนี่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีธรรมะอันใดจะยิ่งไปกว่าในชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ปัจจุบันอารมณ์ที่มากระทบอยู่ เป็นประจาอยู่เสมอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้บางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจบางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาไม่พอใจถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจเราก็เกิดความยินดีมีความรักในอารมณ์เหล่านี้ไม่อยากจะให้จากไปแต่ถ้าหากว่ากระทบกับมนติฐามณมแล้วเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความเครียดแค้น ในอารมณ์ที่มากระทบความโกรธอันนี้ก็ครอบงำ ม, มากขึ้นเมื่อความโกรธครอบงำ ม, มากขึ้นเราไม่มีขันติธรรมอยู่เป็นหลักปฏิบัติก็ย่อมจะแสดงออกด้วยอำนาจของความโกรธอาจจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้น <c oughs> ฉะนั้นเรื่องของขันติธรรมเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่สาคัญที่เราจะต้องฝึกหัดให้เกิด อย่างน้อยก็ขอให้เราเนี่ยมีความอดทนสูงแม้เราจะกระทบกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาที่เราไม่พอใจเราก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่ออนิจจารมลานั้นไว้คนที่มีความอดทนได้มากอย่างนี้ก็ย่อมจะไม่เสียกริยาย่อมจะไม่เสียจริยธรรมต่างๆแต่ถ้าไม่มีขันติคือความอดทนแล้วก็อาจจะเสียกริยาดังที่เราจะเห็นคนที่มีความอดทนน้อย เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ตนเองไม่พอใจก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทีเดียว<ม>กริยาต่างๆก็เสียหมดแต่ถ้ามีขันติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอดทนอดกลั้นระงับอารมณ์ต่างๆไว้ได้โดยที่ไม่เสียกริยาจริยธรรมต่างๆก็ไม่เสียไปฉะนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องปลูกฝังขันติคือความอดทนเนี่ยขึ้นไว้ให้มาก การกระทําทุกอย่างในปัจจุบันนี้ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะประกอบคุณธรรมหรือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะทิ้งขันติธรรมไม่ได้คือจะทิ้งความอดทนไม่ได้ยิ่งท่ามกลางสังคมจํานวนมากมายอย่างเนี้ยเราอยู่ท่ามกลางคนเป็นจํานวนมากเป็นของธรรมดาลเหลือกเกินว่าเราจะต้องกระทบกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจเข้าวันหนึ่งหลายๆครั้งทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนเราก็อาจจะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปด้วยความผิดพลาดแต่ถ้าเรามีความอดทนอยู่ถึงจะกระทบกับอนิจฐามณ์อย่างไรเราก็พยายามรักษารักษากริยามารยาทต่างๆไว้ไม่ให้สูญเสียไปเนี่ยงานต่างๆก็ไม่เสีย ความอดทน เ, นเป็นตะบะอย่างเยี่ยมที่จะนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จในกิจการทั้งปวงเพราะว่าอดทนในที่นี้กินความหมายกว้างขวางมากบางครั้งเราต้องอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากเช่นต้องลำบากกายลำบากใจบางทีอาจจะต้องหนาวอาจจะต้องร้อนอาจจะต้องหิวระหายอาจจะต้องเหนื่อยแสนเหนื่อย เราก็ต้องอดทนต้องใช้ความอดทนไว้นี่หมายถึงอดทนต่อความทุกข์ยากบางครั้งเราต้องอดทนต่ออารมณ์เช่นอดทนต่อคํากล่าวร้ายต่อคํานินทาต่อคํากล่าวร้ายของพวกปาประชนต่างๆหรือจากอารมณ์ที่เราไม่ยินดีเนี่ยมากระทบกระทั่งเราก็ต้องอดทนไว้ ให้ถือว่านี่เป็นโล ก, กธรรมำอันหนึ่งซึ่งเราอยู่ในโลกถ้าเราไม่ทนก็แตกเพราะว่าต้องกระทบกับโลกกรรทำเหล่านี้เราก็ต้องสร้างความอดทนขึ้นพ่อคูนขันติธรรมให้เกิดขึ้นเราก็จะอยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์ถ้าเรากระทบกับอนิจจารมนิดนึงเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจว่าทาไมเขาถึงไม่เข้าใจเราทำไมเราทาดีแล้วยิงจะว่าไม่ดี อะไรต่างๆเนี่ยชีวิตก็เป็นทุกข์เพราะว่าคนที่ถูกว่านะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ถูกว่าใดทั้งนั้นคนที่ถูกนินทากล่าวร้ายไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็อาจจะถูกทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นโล ก, กธรรมเกิดมาในโลกและก็ต้องกระทบมีทางเดียวที่เราจะต่อสู้ได้ก็คือเพิ่มภูนขันติธรรมคือความอดทนเนี่ยเข้าไว้ การเพิ่มพูนขันติธรรมนี้เขาไว้นั้นจึงถือว่าเป็นอนิสงส์อันหนึ่งที่เราควรจะกระทำเชื่อว่า ท, ทุกทุกท่านที่มุ่งหวังต่อกุปสลหรือการประกอบคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคงจะเคยพบปัญหาเช่นเนี้มาก่อนแลวก็เราจะแก้ปัญหาเหล่าเนี้ ให้หมดไปได้นั้นก็มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องอดทนคนยิ่งคนที่ประกอบกรรมดีด้วยแล้วจะต้องอดทนอย่างมากถ้าอดทนไม่ไหวก็ทําไม่สำเร็จทําไม่ได้ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะประกอบกรรมดียังไงก็ตามก็ทําไม่สำเร็จฉะนั้นคนที่ทํากรรมดีเนี่ยจึงต้องเช็คความอดทนคนที่ทํากรรมชั่วเสอีกไม่ต้องเช็คความอดทนอะไรมาก เพราะว่าบุคคลที่ประกอบกรรมชั่วเนี่ยโรคเขาก็ไม่ค่อยกล้าจะไปยอแย่คนอื่นๆเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ถ้าทํากรรมดีแล้วก็จะมีคนมายอแย่มายุ่งเกี่ยวมากมายซึ่งเราก็ต้องใช้ขันติธรรมเข้าไว้อานิสงค์ของขันตินี้มีมากเพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนขันติธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นพระานิสงค์อย่างหนึ่ง แปลว่าคันภีรธรรมที่เราจะเพิ่มพูนขึ้นมานั้นเพื่อที่จะขจัดความโกรธคือโทสะให้หมดไปได้เนี่ยในทางปฏิบัตินั้นเราจะฝึกหัดกันอย่างไรจิตของเราจึงไปสู่จุดนี้คือมีความอดทนและก็สามารถที่จะระงับอารมณ์ต่างไม่โกรธได้เนี่ยวิธีปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติที่เราจะนำเอาไปใช้กันจริงๆในธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้กันอย่างไรวิธีทำนะทำกันอย่างไร เ, เรื่องการปฏิบัติธรรมะนี้ท่านมีวิธีอยู่แล้วก็วิธีนี้เราก็ต้องปฏิบัติกันให้ถูกหลักถ้าผิดหลักแล้วก็ไม่ได้ผลท่านมีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติดังกล่าวเนี่ย เราจะต้องปลูกฝังด้วยการเจริญเมตตาธรรมเมตตาซึ่งเป็นหลักปรมวิหารธรรมข้อแรกที่สุดทีนี้ถ้าพูดถึงเมตตาแล้วเราจะต้องเข้าใจความหมายของธรรมะข้อนี้ว่าหมายถึงอะไรเมตตาเนี่ยแปลให้เราเข้าใจกันตามภาษาชาวบ้านก็แปลกันว่าความรัก ทีนี้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าภาษาคือความรักที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะก็มีที่เป็นธรรมะก็มีเช่นความรักของหนุ่มสาวของสามีพัญยาหรือของชู้สาวเหล่านี้ก็เป็นความรักอีกประเภทหนึ่งความรักอันนั้นไม่ใช่เมตตาเมตตาที่แปลว่าความรักเนี่ย ก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจกันง่ายๆแต่ความจริงแล้วถ้าจะให้ถูกสภาวธรรมแล้วก็หมายถึงความปรารถนาดีต่อกันความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเรียกว่าเมตตาธรรมเพราะถ้าหากว่าจะพูดว่าเมตตาเป็นเรื่องของความรักมันก็จะไปคลุกคลีกับความรักอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องของผูกสน ที่ว่าเป็นเรื่องของอภุษลนั้นเพราะว่าความรับประเภทนั้นเป็นเรื่องของโลภะคือความโลภความอยากได้หรือความต้องการในเรื่องของกามารมณ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือลาบยศเสริเสริญสุขที่โลกทั้งหลายขนขวายต้องการกันอยู่ส่วนเมตตาธรรมเนี่ยหมายถึงความปรารถนาดีต่อกันที่เป็นไปในทางดีงามเป็นไปในทางที่บริสุทธิ์ ไม่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ได้ถ้าเป็นความรักแล้วก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องความเห็นแก่ได้เป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบแต่เมตตานี้เป็นเรื่องของความเสียสละเป็นเรื่องของความเกื้อกูลที่จะให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันเท่าที่สามารถจะเสียสละให้ซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเมตตาธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ ทำให้เกิดความปรารถนาดีต่อกันหรือความรู้สึกที่ปรารถนาดีต่อกันเกื้อกูลต่อกันโดยที่เราเนี่ยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ไม่เอารัดเอาเปรียตความปรารถนาดีต่อกันเช่นเนี้ยเป็นความเสียสละ <c oughs> เกื้อกูลซึ่งกันและกันเราเรียกกันว่าเมตตาธรรมเช่นความเสียสละความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่มีต่อลูก พ่อแม่ที่เสียสละเพื่อลูกหรือครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาดีต่อสิทธิ์ก็จะเสียสละความสุขต่างๆเหล่านี้เพื่อลูกพ่อแม่ทุกคนก็จะพูดว่ารักลูกแต่ความรักเช่นเนี้เป็นเรื่องของเมตตาเต็มด้วยความปรารถนาดีไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากลูกหรือไม่ได้มุ่งเอารับเอาเปรียบอะไรจากลูก แต่ถ้าเป็นความรักระหว่างสามีพัญญาหรือความรักของหมู่มสาวแล้วก็จะต้องเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนการเอารักเอาเปรียบต่อกันถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขัดผลประโยชน์หรือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ไปบุคคลทั้งสองคนนี้ก็จะกลายเป็นศัตรูต่อกันได้อาจจะเป็นศัตรูกันถึงกับจะต้องเค่นฆ่ากันจะต้องทาลายล้างกันได้ดังที่เรา เห็นอยู่โดยทั่ ว, วไปนั่นเป็นเรื่องของประโยชน์ผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างจะตักตวงเพื่อตนเองให้มากที่สุดไม่ได้เป็นการเสียสละเพื่อความสุขซึ่งกันและกันถ้าพ่อแม่รักลูกแล้วพ่อแม่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกและพ่อแม่ก็บอกว่าเพราะความรักลูกได้ข่าวว่าลูกตกทุกข์ได้ยาก หรือประสบต่อความเสื่อมอย่างไรอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยหาทางที่จะช่วยเหลือลูกให้พ้นจากทุกข์เช่นนั้นอันนี้เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตาธรรมที่พ่อแม่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความรักแล้วก็ต้องแยกออกเป็นสองสายดังที่ได้กล่าวมาบุคคลจะปลูกเมตตาธรรมให้เกิดภายในจิตของตนนั้นในทางปฏิบัติ วิธีการเนี่ยท่านได้ตรัสให้เรารู้จักบุคคลทั้งหมดหกจำพวกเ้วยกันบุคคลหกจำพวกที่เราจะต้องรู้จักก่อนนี้ก็คือคนที่ เ, เราจะฝึกหักให้เกิดเมตตาธรรมต่อบุคคลนั้นยังแผ่ไปก่อนไม่ได้เพราะถ้าหากว่าแผ่ไปในบุคคลทั้งหกจำพวกนี้ก่อนแล้วจะไม่เกิดผลเมตตาจะไม่เกิดขึ้นในจิตของเรา ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาเมตตาธรรมเนี่ยท่านจะปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นภายในจิตจะต้องรู้จักบุคคลหกจำพวกนี้ก่อนรอบเวลานี้เรามักจะสแสวงหาเมตตากันอย่างผิวผิวเผินเผินเช่นอย่างเราเที่ยวแสวงหาของดีว่าของสิ่งนี้ใช้ในทางเมตตามหานิยมได้ไหมมีคาถาเมตตามหานิยมอะไรบ้างที่จะทำให้คนเกิดความรักความนิยมชมชอบ เรามักจะไปแสวงหาภายนอกตัวเราบางทีไปแสวงหาพระตะกรุดลูกอมแป้งน้ำหอมน้ำจันอะไรต่างๆที่เราถือว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสเสน่ห์เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมที่จะทำให้คนรักคนพอใจความจริงเรื่องเมตตานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่แสวงหาภายนอกกายเราทุกคนจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิต และการปลูกฝังเมตตาให้เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยไม่ยากเลยถ้าหากว่าทุกคนทำได้อย่างจริงจังก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพนับถือน่าบูชาขึ้นมาได้โดยเราปลูกขึ้นในตัวเราเองแต่ว่าก่อนจะปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นภายในตนนั้นจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าบุคคลที่เราไม่ควรจะแผ่เมตตาไปก่อนจนกว่าเมตตานี้จะมีอยู่เต็มเปี่ยมภายในจิตของเราแล้ว มีใครบ้างเพราะวิธีที่เราจะปลูกฝังเมตตาให้เกิดขึ้นในตนเนี่ยเราจะต้องพิจารณาถึงบุคคลเหล่านี้ไ้ด้วยบุคคลประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่เราไม่รักก็คือคนที่เราเกลียดนั่นเองคนประเภทเนี้อย่าไปนึกถึงเป็นอันขาดถ้าเรายังไม่มีเมตตาเต็มเปี่ยมอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนที่เราเกลียดที่เราชังประเภทที่สองคือ คนที่เรารักมากก็อย่าพึ่งไปนึกถึงเพราะคนที่เรารักมากนึกถึงก่อนเมตตาก็จะไม่เกิดจะเกิดขึ้นในจิตของเราไม่ได้ประเภทที่สามคือคนปานกลางคนปานกลางเนี่ยหมายถึงคนที่เราไม่รู้จักนักคุ้นมาก่อนว่าใครเป็นใครคนเนี้มีหัวนอนปลายเท้าอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้จักเราก็อย่าพึ่งแผ่ไปนในบุคคลประเภทนี้ ประเภทที่สี่คือคนผู้จองเวรต่อกันก็หมายถึงบุคคลที่เป็นศัตรูแก่กันเราอย่าเพิ่งไปปลูกฝังก่อนประเภทที่ห้าก็คือบุคคลที่ต่างเพศกับเราเช่นถ้าเราเป็นผู้ชายก็อย่าเพิ่งไปแผ่ให้ผู้หญิงก่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่าเพิ่งไปแผลให้ผู้ชายก่อนจนกว่าเมตตาเราจะเต็มเปี่ยมแล้วเราจึงจะแผไปให้กับบุคคลต่างเพศประเภทที่หก็คือคนที่ตายไปแล้ว คนตายไปแล้วนี่ก็ไม่ควรที่จะไปนึกถึงก่อนไม่ควรจะแผ่เมตตาไปซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านห้ามเลยทีเดียวเรื่องคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนอกจากจะแผ่กุศลไปให้เท่านั้นจึงจะแผ่ได้ในบุคคลหกจาพวกเนี่ยเราจะต้องรู้จักสันก่อนว่าไม่ควรที่จะแผ่ไปให้ทําไมซึ่งจึงห้ามไม่ให้แผ่ไปให้ในบุคคลหกจาพวกเนี่ยก่อนก็ก็เพราะว่าจิต ที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่มีเมตตาธรรมอันมั่นคงนี้ถ้าเราไปนึกถึงคนที่เราไม่รักเนี่ยจิตก็จะเกิดความโกรธขึ้นทันทีเมื่อมีความโกรธขึ้นจะปลูกเมตตาได้อย่างไรก็เกิดไม่ได้เพราะว่านึกถึงทีไรก็ขุนมัวเรื่อยใจขุ่นนึกถึงคนนที่จิตใจขุนท่านจึงสอนว่าไม่ควรจะนึกถึงคนที่เราไม่รักก่อนทีนี้ถ้าเกิดไปนึกถึงคนที่เรารักมากล่ะ ใจก็ขุนอีกแล้วเพราะเมื่อความรักมีมากขึ้นก็เกิดความโลภเข้าครอบนำเกิดความยินดีเข้าครอบนำปลูกเมตตาไม่เกิดอีกแล้วถ้าหากว่าไปนึกถึงคนกลางที่เราไม่รู้จักมักคุนมาก่อนอยู่ๆเราจะไปเมตตาคนเหล่านี้มันก็ไม่เกิดเมตตาเพราะว่าไม่รู้จักมักคุณมาก่อนก็ไม่ควรแผ่ไปในบุคคลเหล่านี้ หรือคนที่จองเวรต่อกันก็คือคนที่เป็นศัตรูต่อกันถ้ารไปนึกถึงคนที่จองเวรต่อเราก่อนโทสะก็เกิดอีกแล้วเมตตาก็ไม่เกิดถ้าไปนึกถึงคนต่างเพศก็จะเกิดความกำหนัดยินดีจะตกไปเป็นธาตุของกาารมถ้านึกถึงคนที่ตายไปแล้วอารมณ์ก็ปรากฏไม่ชัดเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว ชีวิตของเขาไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่าเนี้ท่านจึงสอนให้เรารู้จักไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งแผ่ไปก่อนแปลว่าขั้นฝึกหัดขั้นต้นนี้ท่านสอนให้เราเนี่ยปลูกฝังเมตตาให้เกิดขึ้นในตัวเราเองก่อนเช่นถ้าจะถามว่าเราจะแผ่เมตตาให้ใครก่อนท่านก็ตรัสว่าต้องแผ่ให้ตัวเราเองก่อนทําไมจึงสอนให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน เนี่ยเป็นปัญหาเพราะบางท่านที่ไม่เข้าใจถึงวิธีการอันนี้ก็อาจจะคิดผิดๆไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเห็นแก่ตัวสอนให้คนเห็นแก่ตัวก่อนแทนที่จะสอนให้เห็นแก่คนอื่นเพราะแม้แต่เมตตาธรรมก็จะต้องแผลให้ตัวเองก่อนไม่แผลให้คนอื่นก่อนความจริงเรื่องการฝึกขัดจิตให้เกิดเมตตาธรรมนี้ ที่ท่านสอนให้เราแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองก่อนเนี่ยก็มุ่งพิจารณาถึงสัจธรรมคือความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกคนเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่มีใครเ ล, เลยที่จะไม่รักตัวเองสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยรักตัวเองทั้งนั้นและถ้าจะถามว่า เรารักใครมากที่สุดในชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้เราก็จะตอบได้ว่ารักตัวเองมากที่สุดแม้เราจะพูดกันอยู่เป็นคําหวันหวันหูว่าเรารักคนนั้นมากรักคนนี้มากรักมากยิ่งกว่าชีวิตของเราเสีอีกอะไรเหล่าเนี้น่าเป็นคําที่เราเสกสรรปั้นแต่งกันขึ้นแต่ว่าโดยสภาวธรรมจริงๆแล้ว ทุกคนรักตัวเองเท่านั้นจะรักคนอื่นมากกว่าตนนั้นไม่มีเลยคนให้จริงๆแต่และเราจะพบว่ามันไปจนตรงที่ว่าเพราะรักตัวเองความรักคนอื่นนั้นเป็นส่วนประกอบแต่ว่าความรักตัวเองเนี่ยเป็นความจริงพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าบุคคลส่งจิตไปทั่วทิศ คือให้ส่งใจเนี่ยไปทั่วทุกทิศ ต, ตารวจดูให้หมดจะไม่เห็นใครเลยที่จะเป็นที่รักมากไปกว่าตัวของตัวเองท่านตรัสเลยว่าคนเราเนี่รักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อตัวของเราเนี่ยเราก็รักสัตว์อื่นเขาก็มีตัวมีตนและเขาก็รักตัวของเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของใครใครก็รักอย่างนี้ผู้ที่รักตนจึงไม่พึงเบียดเบียนบุคคลอื่นเนี่ยขอให้เราเข้าใจพุทธพจน์บทนี้ด้วยว่าผู้ที่รักตนไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าชีวิตของใครใครเขาก็รักจริงอยูอ่ความรักเนี่ยเป็นสิทธิของคนทุกคนเนี่ย จะรักอะไรก็ได้แม้แต่หมูแมวนกเป็ดไก่ก็ไปรักได้แต่ว่าความรักในสัมพััตว์ทั้งปวงเหล่าเนี้ไม่มีความรักใดเสมอด้วยตนแล้วกัสัตว์ทุกจําพวกที่มันเกิดมาเนี่ยมันก็รักตัวมันเองเหมือนกันชีวิตของมันมันก็รักมันก็หวงแหนเมื่อชีวิตของใครใครรักอย่างเนี้ท่านจึงสอนว่าอย่าเบียดเบียนกัน ชีวิตของใครใครเขาก็รักเพราะฉะนั้นการที่จะแผ่เมตตาไปในบุคคลอื่นจึงต้องเอาตัวเองเนี่ยมาตั้งไว้เป็นสขีพยานเสก่อนว่าเรารักตัวของเราหรือไม่ถ้าเรารักตัวของเราเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นความรักอย่างอื่นที่มันมีส่วนผัวพัน์ในชีวิตของเราขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาจากพื้นฐานความรักตัวเองก่อน แล้วจึงไปรักคนอื่นตามที่รักคนอื่นนะัก็คืออยากให้คนอื่นเข้ามารักตัวเราท่านทั้งหลายลองตั้งปัญหาถามดูก็ได้ทําไมพ่อแม่จึงรักลูกทําไมสามีภรรยาจึงต้องรักกันทําไมหนุ่มสาวจึงต้องรักกันทําไมเพื่อนมนุษย์จึงต้องรักกัน เราลองค้นดูว่าทำไมจึงต้องรักกันด้วยเราก็จะพบว่าที่จะต้องรักกันนั้นนะเพราะว่าเรารักตัวเราก่อนจึงอยากให้คนอื่นมารักตัวเราถ้าคนอื่นเข้าไม่รักเราเราก็เสียใจและเมื่อเสียใจมากๆเราก็อาจจะฆ่าตัวเองตายได้การฆ่าตัวเองตายนั้นไม่ใช่หมายความว่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเอง ความจริงแล้วรักตัวเองมากเหลือเกินจึงต้องฆ่าตัวเองตายเราไปมองกลับกันว่าเพราะรักคนอื่นมากกว่าตัวจึงยอมสละชีวิตของตนเองเนี่เพื่อผู้อื่นได้อันนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดอย่างยิ่งคนที่ฆ่าตัวเองเพราะผิดหวังในเรื่องของความรักหรือคนอื่นเข้าไม่รักก็ดีเนื่องมาจากเพราะว่าตัวเองรักตัวเองมากเกินไปเมื่อรักตัวเองมากเกินไป คนอื่นเข้าไม่รักก็เกิดเสียใจขึ้นเขาไม่รักตัวเราก็เกิดความเสียใจขึ้นและอันนี้แหละที่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปะทุสไยตนเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นความรักตนเองเนี่ยมีอยู่ภายในจิตของเราทุกคนอยู่แล้วพ่อแม่รักลูกก็ไม่ใช่ว่าจะรักลูกมากกว่าตัวเองความจริงรักตัวเองมากกว่าลูกเะอีก เคยมีเรื่องเล่าว่ามีพ่อแม่กับลูกเดินทางไปในที่กันดารสถานที่นกันดารเหลือเกินอาหารที่จะบริโภคเนี่ยก็ไม่มีอดอยากไม่มีอาหารจะกินออสองคนสามีพัญญาก็ปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรเราจึงจะเดินเดินทางข้ามความกันดารเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้ มีกำลังวังชาที่จะเดินทางในที่กันดานไปได้ปรึกษากันเสร็จแล้วผลสุดท้ายก็ต้องฆ่าลูกต้องกินเนื้อลูกแล้วก็ให้เกิดกำลังเดินทางข้ามความกันดานให้ผ่านพ้นความปนานออกไปเนี่ยเป็นความจริงที่เคยมีมาแล้วในปัจจุบันนี้คนลักลูกมากๆก็อบอกโอ๊ยทำอย่างนั้นไม่ถูก ธรรมดาพ่อแม่จะต้องยอมเสียสละเพื่อลูกเสียสละยังไงพ่อแม่จะต้องฆ่าตัวตายให้ลูกกินเนื้อพ่อแม่ถึงจะถูกมีไหมที่พ่อแม่ยอมตายแล้วก็ให้ลูกกินเนื้อพ่อแม่ก็ยังไม่เคยมีมีแต่ว่าพ่อแม่จะต้องฆ่าลูกแล้วก็กินเนื้อลูกก่อนแล้วก็เพื่อที่จะได้เกิดกำลังวังชาเดินทางข้ามความกันดาร น, นียต่อไปอันนี้เนื่องมาจากเพราะว่า ความรักตนเองเนี่ยมีอยู่เป็นพื้นฐานและเราจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อชีวิตประสบกับปัญหาคือความจำเป็นอย่างที่สุดความจริงอันนี้ก็จะปรากฏออกมาว่าใครรักตัวเองมากกว่าใครมุ่งเอาตัวเองรอดมากกว่าเนี่ยความจริงจะปรากฏตอนนี้แต่ว่าใ น, ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่กันในโลกปัจจุบันเนี่ย เราไม่ค่อยจะพบความจริงเหล่านี้เพราะว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วเราอยู่ด้วยการหลอกลวงกันเราไม่ใช่ดูอยู่กันด้วยสัตธรรมแล้วหลอกลวงกันถ้าเราหลอกได้ถาวรก็อยู่กันจนตายจากกันถ้าหลอกกันไม่จบชีวิตจะต้องไปเผชิญปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏว่าใครรักใครกันแน่ทุกคนก็จะรักตัวเองทั้งนั้นนหะ แต่ว่าความจริงมันยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายว่าชีวิตยังไม่เผชิญต่อความจำเป็นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครรักใครมากกว่ากันแต่เราจะพบหลักความจริงได้อย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องรักตัวเองมากกว่าท่านทั้งหลายที่สนใจในชีวิตเช่นนี้เราจะศึกษาไดจากหลายๆชีวิตที่เป็นบทเรียนให้เราศึกษาอยู่ทั้งในอดีต ท, ทั้งในปัจจุบัน ว่าจริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสหรือไม่ถ้เราศึกษาแล้วเราจะเห็นความจริงส่วนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่วางหลักปฏิบัติในการปลูกฝังเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่ใช่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ทุกคนก็เห็นแก่ตัวทั้งนั้นทุกคนรักตัวเองทั้งนั้น แต่ว่าใช้ความรักตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นซึ่งก็จะกลา